การซึ่งพระโลกนาเจ้าผู้ประกอบด้วยพระมหากรุณาคุณผู้บรรลุฝังแห่งสาครคือยยธรรมผู้มีเทศนาในอละเอียดลึกซึ้งและวิจิตขอนามัสการซึ่งพระธรรมเจ้าอันสูงสุดนั้นที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบูชาแล้ว ซึ่งเป็นเครื่องนำสัตว์ผู้เพียพร้อมด้วยวิชาและจารณะให้ออกจากโลกขอนามสการพระอริยสงฆ์ผู้เพียบพร้อมด้วยคุณมีศีลเป็นต้นผู้ดารงอยู่ในมรรคและผลผู้เป็นบุญญาเขตอันยอดเยี่ยมขอเจริญในธรรมท่านสาธุชนผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านเสียงอ่านพระธรรมจากพระไตรปิฎก ที่ท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นเสียงอ่านพระธรรมของนักศึกษาพระอภิธรรมสำนักเรียนพระอภิธรรมอภิธรรมมิกะวิชาลัยวัดลอมพระเจ้าตองตำบลมะกอกอำเภอป่าซางจังหวัดลาพูนการอ่านพระธรรมจากพระไตรปิฎกครั้งนี้ เกิดขึ้นด้วยกุศลและเจตนาของนักศึกษาพระอภิธรรมมุม่งให้ท่านสาธุชนได้รับรู้ถึงคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ปรากฏในพระไตรปิฎกโดยตรงฉะนั้นกุศลใดที่เกิดขึ้นจากการอ่านครั้งนี้ขอกุศลนั้นจงสมเร็จผลแด่ท่านสาธุชนพร้อมญาติทั้งหลาย ขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ปราะศะจากทุกข์ปราะศจากภัยปราะศะจากโรคและเจริญด้วยปัญญาสามารถรู้แจ้งแทงตลอดถึงหลักธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ดีแล้วด้วยกันทุกท่านเทิน ปิยทศีพุทธวงศูตรว่าด้วยพระประวัติของพระปิยทศีพุทธเจ้าสมัยต่อจากพระพุทธเจ้าพระนามว่าสุชาตะได้มีพระสยัมภูพระนามว่าปิยทศีทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกหาผู้กระทบกระทั่งได้ยากไม่มีผู้เสมอเหมือนมีประยศยิ่งใหญ่แม้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้มียศ อันนับไม่ได้ทรงรุ่งเรืองดังดวงอาทิตย์ทรงขจัดความมืดทั้งปวงแล้วทรงประกาศพระธรรมจักรสาวกของพระพุทธเจ้าผู้มีพระเดชไม่มีอะไรเปรียบปรานมีการบรรลุธรรมสามครั้งเทวดาและมนุษย์จำนวนหนึ่งแสนโกดได้บรรลุธรรมครั้งที่หนึ่งเท้าสุทัศนะเทวราช มากราบทูลถึงมิจฉาทิฏฐิพระศาสดาเมื่อจะทรงบรรเทามิจฉาทิฏฐิของเ ท, เทวราชนั้นจึงทรงสแสดงธรรมครั้งนั้นมหาชนได้มาประชุมกันมากมายประมาณไม่ได้เทวดาและมนุษย์ประมาณ 9,000 โกศได้บรรลุธรรมครั้งที่สองในการที่พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นสารถีฝึกนรชน ทรงฝึกช้างโทนมุกเทวดาและมนุษย์ประมาณ8 0ด0 0โกรธได้บรรลุธรรมครั้งที่สแม้พระปิยะทัศสีพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็มีการประชุมสาวกสามครั้งพระสาวกประมาณหนึ่งแสนโกรมาประชุมกันเป็นครั้งที่หนึ่งพระมุนีคีณาศพประมาณ90โกรธมาประชุมร่วมกัน ในการประชุมครั้งที่สามมีพระโมนีขีนาศ ป, ประมาณแปดสิบโกดสมัยนั้นเราเป็นมาน์มีชื่อว่ากัตปะเป็นผู้คงแก่เรียนทรงจำมนจบใจเพศเราได้ฟังธรรมของพระองค์แล้วเกิดความเลื่อมใสได้บริจาคทรัพย์หนึ่งแสนโกดสร้างสังคารามครั้นถวายอารามแก่พระองค์แล้ว ร่าเริงตื้นตันใจได้สมาทานสรระคมและเบญจศีลให้มั่นคงแม้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นประทับนั่งท่ามกลางสงรงพรยากรเราว่าใน118กับมนุษย์นี้จกเป็นพระพุทธเจ้าพระตถาคตได้เสด็จออกจากกรุงกบิลพัทที่น่ารื่นรมพระตถาคตทรงเริ่มตั้งความเพีย บำเพนทุกระคิริยาจากประทับนั่งโคนต้นอาชปาลานิโครธส่งรับข้าบายาที่นั้นแล้วเสด็จไปยังแม่น้ำเนรันชราพระชินเจ้าพระองค์นั้นจากสเสวยข้าบายาที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรันชราแล้วเสด็จไปที่โคนต้นโพตามหนทางอันประเสริฐที่ตกแต่งไว้แล้ว จากนั้นพระองค์ผู้มีประยศยิ่งใหญ่จะทําประทักษิณโพธิมันอันยอดเยี่ยมแล้วตรัสรู้ที่คนต้นอัศทพฤกพระมารดาผู้ให้กําเนิดพระชินเจ้าพระองค์นี้จะมีพระนามว่ามายาพระบิดาจะมีพระนามว่าสุโธทนะพระชินเจ้าพระองค์นี้จะมีพระนามว่าโคดม พระโกลิตเถระและพระอุปติสะเถระผู้ไม่มีอาสวะสิ้นราคะมีจิตสงบตั้งมั่นดีจักเป็นพระอครสาวกพระเถระนามว่าอานนต์จักเป็นพระอุปถากบำรุงพระชินเจ้าพระองค์นี้พระเคมาเถรีและพระอุบลว น, นาเถรีผู้ไม่มีอาสวะสิ้นราคะมีจิตสงบตั้งมั่นดี อยากเป็นพระอัครสาวิกาต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นชาวโลกเรียกว่าต้นอัศศัทพทพฤกจิตตะขาหาบาดีอุบาสกและหัตถกะขหาบาดีอุบาสกชาวเมืองอาราวีจากเป็นอัครอุปาถานัฐมานดาอุบาสิกาและอุตตราอุบาสิกาจากเป็นอัคร อุปถายิกาพระโคโดมผู้มีพระยศพระองค์นั้นจะมีพระชนมายุประมาณหนึ่งร้อยปีเทวดาและมนุษย์ได้ฟังพระดำรัสนี้ของพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีใครเสมอเหมือนผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่แล้วต่างก็มีความชื่นชมกล่าวว่าท่านผู้นี้เป็นหนอพุทธังกูล สัตว์ทั้งหลายในมืนจั ก, กรวาลพร้อมทั้งเทวดาต่างก็เปร่งเสียงโหร้องปรบมือร่าเริงประนมมือนามสการว่าถ้าเราทั้งหลายจากพลาดาศาสนาของพระโลกนาถพระองค์นี้เราทั้งหลายก็จะพร้อมหน้าหน่พุททางกูนี้ในอนาคตการมนุษย์ทั้งหลายเมื่อจะข้ามแม่น้ำพลาดท่าเฉพาะหน้า แล้วก็ยึดเอาท่าถัดไปจึงข้ามแม่น้ำใหญ่ไปฉันใดเราทั้งหมดก็ฉันนั้นเหมือนกันถ้าพลาดพระชินเจ้าพระองค์นี้ก็จักพร้อมหน้าหน่ผู้ทางกูนี้ในอนาคตการเราได้ฟังพระดำรัสของพระพุทธเจ้าแม้พระองค์นั้นแล้วก็ทำจิตให้เลื่อมใสยอย่างยิ่งได้อธิษฐานวัดเพื่อบำเพ็ญบารมีสิประการให้ยิ่งขึ้นไป กรุงชื่อว่าสุญญทันยะกษัตริย์พระนามว่าสุทัตตะเป็นพระชนกพระเทวีพระนามว่าสุจันทาเป็นพระชนนีของพระศาสดาพระนามว่าปิยทัศศีพระองค์ทรงครองคารวาสอยู่9000ปีมีปราสาทที่อุดมอยู่สามหลังคือสุนิมละปราสาทปิมละปราสาท และคิริคูหาปราสาทมีนางสนมกำนันสามหมื่นสามพันนางล้วนประดับประดาสวยงามพระม ah ir, ระาเหสีพระนามว่าวิมลาพระราชโอรสพระนามว่ากันจนาเวระพระองค์ผู้สูงสุดแห่งปุตทรงเห็นนิมิตสีประการจึงทรงราชพหนะคือรถออกผนวด แล้วทรงบำเพ็ญเพียรอยู่หกเดือนเต็มจึงได้บรรลุพระโพธิญาณพระมหาวิระมหามุนีพระนามว่าพิยัตศีผู้อันพรมทูลอาราธนาแล้วทรงประกาศพระธรรมจักรที่พระอุทยานอสุภวันน่ารื่นรมใจพระปาลิตะเทระและพระสพภพทศรีเทระเป็นพระอัครส า, าวก พระเทระนามว่าโสพิตเป็นพระอุปถาของพระศาสดาพระนามว่าปิยทัศศีพระสุชาตาเทรีและพระธรรมทินาเทรีเป็นพระอัครสาวิกาต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นชาวโลกเรียกว่าต้นกลุ่มสันทกะอุบาสกและธรรมิกะอุบาสก เป็นอัครอุปถาวิสาขาอุบาสิกาและธรรมทินนาอุบาสิกาเป็นอัครอุปถายิกาแม้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้มีพระยศนับไม่ถ้วนทรงพระลักษณะอันประเสริฐ32ประการมีพระวรกายสูง82ปรากฏดังต้นพยามาสาละ รัศมีไฟรัศมีดวงจันทร์รัศมีดวงอาทิตย์ก็ไม่เหมือนกับพระรัศมีพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นหาผู้เสมอไม่ได้ผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่แม้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นเทพยิ่งกว่าเทพมีพระจักษุก็ดํารงพระชนมายุอยู่ในโลกประมาณเก้าหมื่นปีแม้พระพุทธเจ้าผู้ไม่มีใครเสมอเหมือนพระองค์นั้น แม้คู่พระอัครสาวกซึ่งไม่มีผู้เทียบเคียงเหล่านั้นทุกอย่างล้วนอันตรทานไปหมดแล้วสังขารทั้งปวงเป็นสภาพว่างเปล่าหนอพระมุนีผู้ประเสริฐพระนามว่าปิยทัศสีสเสด็จดับขันทัปรินิพญานที่อัศธารามพระสถูปของพระชินเจ้านั้นที่อัศธารามนั้นสูงถึงสามยอดชะนี้แล พิยทัศสีพุทธวงศจบอัฏฐทัศสีพุทธวงศสูตรว่าด้วยพระประวัติของพระอัฏฐทัศสีพุทธเจ้าในมันทักกับนั้นแลได้มีพระพุทธเจ้าพระนามว่าอัฏฐทัศสีผู้มีพระยศยิ่งใหญ่ ทรงขจัดความมืดใหญ่ออกไปแล้วทรงบรร ล, ลุสัมโพธิญาณอันสูงสุดพระองค์ผู้อันพรมทูลอาราธนาแล้วทรงประกาศ พ, พระธรรมจักรทรงช่วยชาวโลกในหมื่นจักรวาลพร้อมทั้งเทวโลกให้อิ่มนำด้วยอา마ตรธรรมสาวกของพระองค์แม้นั้นผู้ทรงเป็นที่พึ่งของโลก มีการบรรลุธรรมสามครั้งเทวดาและมนุษย์ประมาณหนึ่งแสนโกรได้บรรลุธรรมครั้งที่หนึ่งในการที่พระพุทธเจ้าพระนามว่าอัฏฐสีสเสด็ จ, จาริกไปในเทวโลกเทวดาและมนุษย์ประมาณหนึ่งแสนโกรได้บรรลุธรรมครั้งที่สองต่อมาในการที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม ในราชสำนัก ข, ของพระชนกเทวดาและมนุษย์ประมาณหนึ่งแโกดได้บรรลุธรรมครั้งที่สามแม้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ก็ได้มีการประชุมแห่งพระขีนาศพผู้ปราศจากมนทินมีจิตสงบประงับผู้คงที่สามครั้งพระขีนาศประมาณ 98,000 รูป มาประชุมกันเป็นครั้งที่หนึ่งพระขีนาศพ ป, ประมาณ8ป0 0 0รูปมาประชุมกันเป็นครั้งที่สองพระขีณาสพผู้หลุดพ้นเพราะไม่ถือมั่นผู้ปราศจากมลทินผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ประมาณ7800หรูปมาประชุมกันเป็นครั้งที่สาม สมัยนั้นเราเป็นชดินมีชื่อว่าสุสิมะตามโครมีตบะแ ก, ะก่กล้าประชาชนยกย่องว่าเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในแผ่นดินเรานำดอกมณฑารพดอกปทุมและดอกปาริฉัตกะอันเป็นทิพย์จากเทวโลกมาบูชาพระสัมมาสมัมพุทธเจ้า แม้พระมหามุนีพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระนามว่าอัฏทัตสีก็ทรงพยากรณ์เราว่าใน118กับชดินนี้จกเป็นพระพุทธเจ้าพระตถาคตได้เสด็จออกจากกรุงกบิลพัทที่น่ารื่นรมพระตถาคตทรงเริ่มตั้งความเพียรบำเพ็ญทุ ก, กระกิริยา จักประทับนั่งที่โคนต้นอชะชปาลนิโครธส่งรับเข้าปาญาตในที่นั้นแล้วเสด็จไปยังแม่น้ําเนรัญชราพระชินเจ้าพระองค์นั้นจักสเสวยเข้าปาญาตที่ริมฝั่งแม่น้ําเนรัญชราแล้วเสด็จไปที่โคนต้นโพตามหนทางอันประเสริฐที่ตกแต่งไว้แล้ว จากนั้นพระองค์ผู้มีพระยศยิ่งใหญ่จะทารรประทักษิณโพธิมันอันยอดเยี่ยมแล้วตรัสรู้ที่คนต้นอัศรษรทพฤษพระมารดาผู้ให้กำเนิดพระชินเจ้าพระองค์นี้จะมีพระนามว่ามายาพระวิดาจะมีพระนามว่าสุทโธธนะ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 และพระอุบลว น, นาเทรีผู้ไม่มีอาสวะสิ้นราคะมีจิตสงบตั้งมั่นดีจักเป็นอัครสาวิกาต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นชาวโลกเรียกว่าต้นอสศัตถพฤกจิตตะขหบดีอุบาสกและหัตถกะขหบดีอุบาสกชาวเมืองอารวี จะเป็นอักษรอุปถานันทมานกาอุบาสิกาและอุตตราอุบาสิกาจากเป็นอักษรอุปถายิกาพระโคดมผู้มีประยศพระองค์นั้นจะมีพระชนมายุประมาณ100รปีเทวดาและมนุษย์ได้ฟังพระดํารัสนี้ของพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีใครเสมอเหมือนผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่แล้ว ก็มีความชื่นชมกล่าวว่าท่านผู้นี้เป็นหนอ่อพุทธังกูลสัตว์ทั้งหลายในหมื่นจั ก, กรวาลพร้อมทั้งเทวดาต่างก็เปร่งเสียงโหร้องปรบมือร่าเริงประนมมือนมัสการว่าถ้าเราทั้งหลายจับพระศาสนาของพระโลกนาถพระองค์นี้เราทั้งหลาย ก็จักพร้อมหน้าหน่อูุทางกูลนี้ในอนาคตการมนุษย์ทั้งหลายเมื่อจะข้ามแม่น้ำพลาดท่าเฉพาะหน้าแล้วก็ยึดเอาท่าถัดไปจึงข้ามแม่น้ำใหญ่ไปฉันใดเราทั้งหมดก็ฉันนั้นเหมือนกันถ้าพระพระชินเจ้าพระองค์นี้ก็จักพร้อมหน้าหน่อูุทางกูลนี้ในอนาคตการ เราได้ฟังพระดำรัสของพระพุทธเจ้าแม้พระองค์นั้นแล้วทั้งยินดีทั้งตื่นตันใจได้อธิษฐานวัดเพื่อบําเพ็ญบารมีสิบประการให้ยิ่งขึ้นไปกรุงชื่อว่าโสพณนะกษัตริย์พระนามว่าสาคระเป็นพระชนกพระเทวีพระนามว่าสุทัศนาเป็นพระชนนี ของพระพุทธเจ้าพระนามว่าอัฏฐทัศนีผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์ทรงครองฆราวาสอยู่หนึ่งหมื่นปีมีปราสาทที่อุดมอยู่สามหลังคืออมรคิปราสาทสุรคิปราสาทและคิริพาหนาปราสาทมีนางสนมกำนันสามหมื่นสามพันนางล้วนประดับประดาสวยงาม พระมเหสีพระนามว่าวิสาขาพระราชโอรสพระนามว่าเสละพระชินเจ้าทรงเห็นนิมิตสี่ประการจึงทรงราชพานะคือม้าออกผนวดแล้วทรงบำเพ็ญเพียรอยู่แปดเดือนเต็มจึงได้บรรลุพระโพธิญาณพระมหาวีระพระนามว่าอัฏฐทัศนี ผู้องอาจกว่านารชนมีพระยศยิ่งใหญ่ผู้อันพรมทูลอาราธนาแล้วทรงประกาศพระธรรมจักรที่พระอุทยานอโนมาพระสันตะเถระและพระอุปสันตะเถระเป็นพระอัครสาวกพระเถระนามว่าอภัยะเป็นอุปถากของพระพุทธเจ้าพระนามว่าอัฐทัศนี ผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระธรรมเทเรีและพระสุธรรมเทรีเป็นพระอครสาวิกาต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นชาวโลกเรียกว่าต้นจำปานากุลอุบาสกและนิสภะอุบาสกเป็นอครอุปปาา มะกิลาอุบาสิกาและสุนันทาอุบาสิกาเป็นอักขระออปถายิกาแม้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไม่มีใครเสมอเหมือนทรงมีพระวรกายสูงแปดสิบศอกทรงสง่างามดังต้นพญาไม้าสาละเหมือนดวงจันทร์เต็มดวง พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นมีพระรัศมีหลายร้อยโกรธตามปกติแผ่ไปตลอดโยอดหนึ่งทั่วสิบทิศทั้งเบื้องบนและเบื้องล่างตลอดเวลาแม้พระพุทธมุนีพระองค์นั้นผู้องค์อาจกว่านารชนผู้สูงสุดแห่งสภสัตวผู้มีพระจักรสุก็ดำรงอยู่ในโลกตลอดหนึ่งแสนปี แม้พระองค์ทรงแสดงพระรัศมีที่ไม่มีสิ่งอื่นเทียมทันให้สว่างสวัยรุ่งโรจน์ในโลกพร้อมทั้งเทวโลกแล้วก็ถึงสภาวะที่ไม่เที่ยงสเสด็จดับขันธะปรินิพานไปดังไฟสิ้นเชื้อดับไปฉะนั้นพระจินเจ้าผู้ประเสริฐพระนามว่าอัฏฐ ท, ทัศสี สเสด็จดับขันธะปรินิพานที่อนุมารามพระบรมสารีริกธาตุของพระองค์แผ่ไปอย่างกว้างขวางในานานาอารยะประเทศชนีแ้แลอัฏฐทัศสีพุทธวงศจบธรรม ทศีพุทธวงศูตรว่าด้วยพระประวัติของพระธรรมทศีพุทธเจ้าในมันทกับนั้นแลได้มีพระพุทธเจ้าพระนามว่าธรรมทศีผู้มีพระยศยิ่งใหญ่ทรงขจัดความมืดแล้วทรงรุ่งเรืองอย่างยิ่งในโลกพร้อมทั้งเทวโลกแม้ในการที่พระองค์ผู้มีพระเดชไม่มีอะไรเปรียบเทียบ ทรงประกาศพระธรรมจักรเทวดาและมนุษย์ประมาณหนึ่งแสนโกดได้บรรลุธรรมครั้งที่หนึ่งในการที่พระพุทธเจ้าพระนามว่าธรรมทัตุสีทรงแนะนําสันชัยรือสีเทวดาและมนุษย์ประมาณ90โกดได้บรรลุธรรมครั้งที่สองในการที่เท้าสักกะพร้อมทั้งบริสัทธ เสด็จเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้นำวิเศษเทวดาและมนุษย์ประมาณ80โกรธได้บุรุรรมครั้งที่สาแม้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นเทพยิ่งกว่าเทพก็มีการประชุมแห่งพระขี่นาศพผู้ปราศจากมุนทินมีจิตสงบระงับผู้คงที่สามครั้ง ในการที่พระธรรมทัศสีพุทธเจ้าทรงเสด็จจำพรรษาที่สรณนครพระขีณาสพประมาณหนึ่งพโกรธมาประชุมกันเป็นครั้งที่หนึ่งต่อมาในการที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลกมายังโลกมนุษย์พระขีณาสกประมาณ100รโกรธมาประชุมกันเป็นครั้งที่สอง ต่อมาในการที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศทุดงคาคุณพระขีณาสุขจำนวน8ปสบโกฎมาประชุมกันเป็นครั้งที่สามสมัยนั้นเราเป็นเท้าสักกะปุรินทะทตได้บูชาด้วยของหอมมาลาและดนตรีทิพย์แม้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นประทับนั่งท่ามกลางเทวดาก็ทรงพยากรเราว่า ใน118กับเท้าสักกะปุรินททานี้จักเป็นพระพุทธเจ้าพระตถาคตได้เสด็จออกจากกลุ่มกบิลพัทที่น่ารื่นงรมงพระตถาคตทรงเริ่มตั้งความเพียรบำเพ็ญทุกกระกิริยาจากประทับนั่งที่โคนต้นอชปารณิโครด สรงรับข้าวปลายาตในที่นั้นแล้วเสด็จไปยังแม่น้ำเนรัญชราพระจินเจ้าพระองค์นั้นจักเสวยข้าวปลายาตที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราแล้วเสด็จไปที่โคนต้นโพตามหนทางอันประเสริฐที่ตกแต่งไว้แล้วจากนั้นพระองค์ผู้มีพระยดยิ่งใหญ่จักทำประทักษีนโพที่มันอันยอดเยี่ยมแล้ว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 สิ้นราคะมีจิตสงบตั้งมั่นดีจักเป็นพระอัครสาวกพระเทรนามว่าอานนท์จักเป็นพระอุปถาบำรุงพระจินเจ้าพระองค์นี้พระเขมาเถรีและพระอุบลวนนรรณเถรีผู้ไม่มีอาสวะสิ้นราคะมีจิตสงบตั้งมั่นดีจักเป็นพระอัครสาวิกา ต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นชาวโลกเรียกว่าต้นอัสศจรรย์จิตตะขะหบดีอุบาสกและหาทักะขะหบดีอุบาสกชาวเมืองอาลวีจักเป็นอัครอุปาถานันทมานดาอุบาสิกาและอุตตราอุบาสิกาจักเป็นอัครอุปถายิกา พระโคดมผู้มียศพระองค์นั้นจะมีพระชนมายุประมาณหนึ่งร้อยปีเทวดาและมนุษย์ได้ฟังพระดำรัสของพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีใครเสมอเหมือนผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่แล้วตางก็มีความชื่นชมยินดีกล่าวว่าท่านผู้นี้เป็นหนอ่อพุทธทางกูล สัตว์ทั้งหลายในมืนจักรวาลพร้อมทั้งเทวดาต่างก็เปรีงเสียงโหร้องปรบมือร่าเริงประนมมือนมามสการว่าถ้าเราทั้งหลายจักพลาดศาสนาของพระโลกนาถพระองค์นี้เราทั้งหลายก็จักพร้อมหน้าหนอผู้ทางกูล น, นี้ในอนาคตการมนุษย์ทั้งหลายเมื่อจะข้ามแม่น้ำพลาดท่าเฉพาะหน้าแล้ว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 เพื่อบำเพ็ญบารมีสิประการให้ยิ่งขึ้นไปกรุงชื่อว่าสรณะกริยัพระนามว่าสรณะเป็นพระชนกพระเทวีพระนามว่าสุนันทาเป็นพระชนนีของพระศาสดาพระนามว่าธรรมทัศสศีพระองค์ทรงครองคารวาสอยู่แปดพันปีมีปราสาทที่อุดมอยู่สามหลังคือ อารชะปราศาสวิรารชะปราศาสและสุทัศนะปราศาสมีนางสนมกำนันสี่หมื่นนางล้วนประดับประดาสวยงามพระมเหสีนามว่าพิจิโกสีพระราชโอรสพระนามว่าปุญญวัฒนะพระองค์ผู้สูงสุดแห่งบุรุษทรงเห็นนิมิตสี่ประการ จึงเสด็จออกจากปราสาทไปผนวนท่งบำเพ็ญเพียรอยู่เจ็ดวันจึงได้บรรลุพระโพธิญาณพระมหาวีระพระนามว่าธรรมทัศสีผู้องค์อาจกว่านรารชนเป็นผู้สูงสุดแห่งานรารชนผู้อันพรมทูลอาราธนาแล้วท่งประกาศพระธรรมจักรที่มรุขคทายวัน พระปทุมเทลาและพระปุสฏเทวะเถระเป็นพระอัครสาวกพระเถระนามว่าสุทัตตเป็นพระอุปถากของพระศาสดานามว่าธรรมทัตสีพระเขมาเถรีและพระสัจนามาเถรีเป็นพระอัครสาวิกา ต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นชาวโลกเรียกว่าต้นมะกลมหลวงสุภัทอุบาสกและกติสหะอุบาสกเป็นอัคระอุปถาสาริสาอุบาสิกาและกลิสาอุบาสิกาเป็นอัคราอุปถายิกา แม้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไม่มีใครเสมอเหมือนทรงมีพระวรากายสูงแปสิบศอกทรงรุ่งเรืองยิ่งด้วยพระเดชในโลกทามีหมื่นจักรวาลพระองค์ทรงงามสง่าดังต้นพญาไม้สาละที่มีดอกบานสะพรั่งเหมือนสายฟ้าในท้องฟ้าและเหมือนดวงอาทิตย์ในยามเที่ยงวัน แม้พระพุทธเจ้าผู้มีพระจักษุมีพระเดชไม่มีอะไรเปรียบเทียบทรงดำรงชีวิตอยู่ในโลกหนึ่งแสนปีท่วนพระองค์พร้อมทั้งสาวกทรงแสดงพระรัศมีอันสว่างสวยัยทำศาสนาให้ปราศจากมุลทินสเสด็จดับขันธปรินิพานดังดวงจันทรบนท้องฟ้าเคลื่อนลับไป มหาวีระพระนามว่าธรรมทัศสีสเสด็จดับขันทปรินิพานที่เกสารามพระสถูปอันประเสริฐของพระองค์นั้นสูงถึงสามโยชนี้แลธรรมทัศสีพุทธวงศจบสิทธัตถพุทธวงศ สูตรว่าด้วยพระประวัติของพระสิทธัตถะพุทธเจ้าสมัยต่อจากพระพุทธเจ้าพระนามว่าธรรมทัตสีได้มีพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิท ธ, ธ, ธัตถะทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกทรงกำจัดความมืดทั้งปวงเหมือนดวงอาทิตย์อุไทยแม้พระองค์ทรงบรรลุสัมโพธิญาณแล้วทรงช่วยหมู่มนุษย์พร้อมทั้งเทวดาให้ข้ามพ้น ทรงบรรดาลฝนคือทำให้ตกช่วยชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกให้เย็นสาวกแม่ของพระองค์ผู้มีพระเดชไม่มีอะไรเปรียบเทียบได้มีการบรรลุธรรมสามครั้งเทวดาและมนุษย์ประมาณหนึ่งแสนโกดได้บรรลุธรรมครั้งที่หนึ่งต่อมาในการที่พระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ทรงลั่นอมะตะเพรีที่พีมะรัฐนาครเทวดาและมนุษย์ประมาณ90โกดได้บรรลุธรรมครั้งที่สองในการที่พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงเป็นนระผู้สูงสุดทรงแสดงธรรมที่เวพารบันพศเทวดาและมนุษย์ประมาณ90โกดได้บรรลุธรรมครั้งที่สพระพุทธเจ้า พระนามว่าสิท ธ, ธะผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ได้มีการประชุมแห่งพระขีณาสกผู้ปราศจากมนทินมีจิตสงบระงับผู้คงที่สามครั้งได้มีการประชุมของพระขีณาสกผู้ปราศจากมนทินสามครั้งเหล่านี้คือพระขีณาสกประมาณหนึ่งรโกดหนึ่งครั้ง พระขีณาสพประมาณ90โกดหนึ่งครั้งพระขีณาสพประมาณแปสบโกดหนึ่งครั้งสมัยนั้นเราเป็นดาบทมีชื่อว่ามังคละมีเดชรุ่งเรืองข่มได้ยากทั้งประกอบด้วยอภิญญาและพละเราได้นำผลว่ามาถวายพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระนามว่าสิท ธ, ธัตถะ พระองค์ทรงรับแล้วได้ตรัสพระดำรัดนี้ว่าจงดูชดินดาบทผู้มีตบะแก่กล้านี้ในกัปที่94นับจากกัปนี้ไปชดินดาบทนี้จกเป็นพระพุทธเจา้าพระตถาคตได้เสด็จออกจากกลุงกบิลพัทที่หน้ารื่นรมพระตถาคต ทรงเริ่มตั้งความเพียรบำเพ็ญทุกกระกิริยาจากประทับนั่งที่โคนต้นอชะปาลิโครธทรงรับข้าวปายาในที่นั้นแล้วเสด็จไปยังแม่น้ำเนรัญชราพระชินเจ้าพระองค์นั้นจักเสวยข้าวปายาที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราแล้วเสด็จไปที่โคนต้นโพ ตามหนทางอันประเสริฐที่ตกแต่งไว้แล้วจากนั้นพระองค์ผู้มีพระยดยิ่งใหญ่จะทาประทักษิณโพธิมันอันยอดเยี่ยมแล้วตรัสรู้ที่โคนต้นอันศจรรย์พระมารดาผู้ให้กำเนิดพระชินเจ้าพระองค์นี้จะมีพระนามว่ามายาพระบิดา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 พระเขมาเทวีและพระอุบลวรรณเทวีผู้ไม่มีอาสวะสิ้นราคะมีจิตสงบตั้งมั่นดีจกเป็นพระอัครสาวิกาต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นชาวโลกเรียกว่าต้นอสสัตถพฤกจิตตะขาหาบดีอุบาสกและหัตถกะขะหบดีอุบาสก ชาวเมืองอารวีจะเป็นอัครอุปทานันทมานดาอุบาสิกาและอุตราอุบาสิกาจะเป็นอัครโอุปทายิกาพระโคดมผู้มียศพระองค์นั้นจะมีพระชนมายุประมาณหนึ่งรปีเทวดาและมนุษย์ได้ฟังพระดํารัสนี้ของพระพุทธเจ้าผู้ไม่มีใครเสมอเหมือน ผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่แล้วต่างก็มีความชื่นชมกล่าวว่าท่านผู้นี้เป็นหนอพุทธังกูลสัตว์ทั้งหลายในหมื่นจักรวาลพร้อมทั้งเทวดาต่างก็เปร่งเสียงโหร้องปรบมือร่าเริงประนมมือนามสการ์ว่าถ้าเราทั้งหลายจักพราดศาสนาของพระโลกนาพระองค์นี้เราทั้งหลาย ก็จักพร้อมหน้าหนอ่อพุทางกูนนี้ในอนาคตการมนุษย์ทั้งหลายเมื่อจะข้ามแม่น้ำพราดท่าเฉพาะหน้าแล้วก็ยึดเอาท่าถัดไปจึงข้ามแม่น้ำใหญ่ไปฉันใดเราทั้งหมดก็ฉันนั้นเหมือนกันถ้าพราดพระชินเจ้าพระองค์นี้ก็จักพร้อมหน้าหนอ่อพุทางกูนนี้ในอนาคตการ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 พระเทวีพระนามว่าสุภาาัสสาเป็นพระชนนีของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิท ธ, ธัตถะผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระองค์ทรงครองคราวาสอยู่หนึ่งมื่นปีมีปราสาทที่อุดมอยู่สามหลังคือโกกาสะปราสาทอุปละปราสาทและโกกนุษปราสาทมีนางสนมกำนัน 48,000 นางล้วนประดับประดาสวยงามพระมาเหศีพระนามว่าสุมนาพระราชาโอรสพระนามว่าอนุปะมะพระชินเจ้าทรงเห็นนิมิตสี่ประการจึงทรงโบอทองออกผนวดแล้วทรงบำเพ็ญเพียรอยู่สิบเดือนเต็มจึงได้บรรลุพระโพธิญา พระมหาวีระพระนามว่าสิท ธ, ธัตถะทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกทรงเป็นผู้สูงสุดแห่งนรกผู้อันพรงทูลอาราธนาแล้วทรงประกาศพระธรรมจักรที่มฤคทายวันพระสัมภะเทระและพระสุมิตตะเทระเป็นพระอัครสาวกพระเทระนามว่าเรวตตเป็นพระอุปถา ของพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิท ธ, ธัตถะผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่พระศีวลาเทอรีและพระสุรามาเทอรีเป็นพระอัครสาวิกาต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นชาวโลกเรียกว่าต้นกันนิกาสุป ป, ปิยอุบาสกและสมุทตะอุบาสก เป็นอัคระอปปถากรัมมาอุบาสิกาและสุรัมมาอุบาสิกาเป็นอัคระอุปถายิกาพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงมีพระวรากายสูงห2บศทรงงดงามดังทองคำที่ล้าค่ารุ่งเรืองไปทั่วมืนจักรวาลแม้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไม่มีใครเสมอเหมือน มีพระคุณนับไม่ได้ไม่มีบุคคลเปรียบผู้มีพระจักษุก็ดำรงพระชนมายุอยู่ในโลกประมาณหนึ่งแสนปีพระองค์ทรงแสดงพระรัศมีอย่างกว้างขวางทรงทำสาวกทั้งหลายให้เบิกบานทรงเยื้องกลายงดงามด้วยสมาบัติพร้อมทั้งสาวกเสด็จดับขันทปริญพานแล้ว พระพุทธเจ้าพระนามว่าสิท ธ, ธัตถะทรงเป็นมุนีผู้ประเสริฐเสด็จดับขันทัปริิญพานที่อนมารามพระสถูปอันประเสริฐของพระองค์ที่อนมารามนั้นสูงถึงสี่ยน์ฉนี้แลสิท ธ, ธัตถะพุทธวงศจบ ท่าสาธุชนทั้งหลายเสียงอ่านพระธรรมจากพระไตรปิฎกได้จบลงแล้วสารธรรมใดที่เป็นประโยชน์ต่อท่านทั้งหลายขอสารธรรมนั้นจงเป็นกุศลเพิ่มภูณบุญญะราศีประดับทีวีท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขทุกทิพย์ภากราตรีการด้วยเทิน